จตกนี้ไปก็เป็นช่วงการแสดงคำตอนนี้ก็ขอต ร, อริเวนผอท่านรองผู้เ อ, อเานวการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระนครศาีษะผู้ช่วยอธิกา ร, รกตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่และสาวสุชนทั้งหลาย มีคนเปรียนว่าชีวิตนี่เหมือนการเดินทางการเดินทางเราเดินไปตามระยะทางตามเส้นทางแต่ว่าชีวิตนี่เราดำเนินไปตามระยะเวลาเขาเรียกว่าเนินชีวิตเดินเชื่อคือเรียนว่าการเดินทางนั่นเองให้ในการเดินทางเนี่ยเราเดินด้วยขาทั้งสองข้าง การที่เราจะเดินไปได้ไกลได้นานแล้วก็ได้อยา่างสะดปกรับรื่นเนี่ยเราต้องสามารถจะเลี้ยงตัวให้ได้สมดุลระหว่างขาทั้งสองข้างถ้าขาข้างใดข้างหนึ่งเกิดาบาดเจ็บหรือพิการขึ้นมาการเดินก็จะเป็นไปด้วความยากลำ บ, บาก แล้วก็อาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางถาว่าจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ไกลาการรักษาตัวให้สมดุล น, นะนะระหวา่างขาทั้งสองข้างช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าไปได้กลได้นานดันั้นความสมดุลเนี่ยจึงมีความสาคัญมากสำหรับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง สา ร, รการดำเนินชีวิตก่เมนกันนะการดําเนินชีวิตต้องอาใาศความสมดุลมากเราถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นจะเป็นความสําเร็จทางโลกหรือว่าความสุขาทางธรรมก็ตามความสมดุลที่จําเป็นสา ร, รการดําเนินชีวิตเนี่ย มีหลายวิติมีหลายระดับระดับพื้นฐานที่สุดก็คือความสมดุลระหว่างกายกับใจถ้าเราไปให้ความสำคัญกับกายมากเกินไปแต่เราลืม เ, เ, เรื่อง จ, จิตใจพอให้ใจเนี่ยเต็ไมไปด้วยความเครียดความวิตกก็จะแม้ร่างกายเราจะมีสุขภาพดี จะมีอาหารการกินนะไม่ขาดแครงสมบูรณ์แต่ก็สามารถจะเจ็บป่วยได้มีคนที่รบป่วยนะเพราะว่ามีปัญหาทางจิตใจนะกายสุขนะแต่ว่าใจทุกข์สนใจในสุขภาพกายแต่สุขภาพใจไม่สนนะก็สามารถจะรบป่วยเพื่อโรคความดันนะโรคเครีย หรือว่าโรคหัวใจก็ไนดะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่การดูแลรักษากายอย่างจะไม่พอการหาอาหารมาหล่อเลี้ยงกา ย, ยาไม่พอเราต้องรู้จักหาอาหารให้กับใจของเราด้วยและเราต้องรู้จักบริหารใจด้วย ร่างกายถ้าไม่บริหารก็ป่วยได้ง่ายอนกันเดี๋ยวนี้มีคนจำนวนมากที่ป่วยเพราะรคอ้วนะเพราะไม่ได้บริหารร่างกายเลยแต่ถึงจะบริหารร่างกายด้วยการวิ่งออกกาลังกายว่ายนะ้ำนะแต่ว่าใจาไม่บริหารหรือว่าใช้ใจไปอย่างสมบุกสมบัน ให้หมดเปลือไปกับความหมก ม, มุ่นอยู่ในอารมณ์ก่อให้อารมณ์โกรธอารมณ์เครียดเผาผานใจก็จะป่วยล้มป่วยได้เหมือนกันตัวนี้เราสังเกตดูนะเราให้ความสำคัญกับเรื่องร่างกายมากวันวันหนึ่งเนี่ย เราใช้เวลาไปกับเรื่องของกายเยอะเรานอนเวลา8ชั่วโมงแล้วก็เพื่อพักกายตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ า, นาถูฟันล้างหน้าอยู่ในห้องน้าวันหนึงประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งการแต่งหน้าแต่งตาในห้องนา้าหรือว่าในห้องนอนก็เป็นเรื่องการเรากินอาหาร สามื้อสี่มือม้อเนี่ยวันนก็หมดไปสองชั่วโมงนะถล่มถึงเวลาที่ไปตากเตียมซื้อหรือว่าปรุงอาหารด้วยเรามีเวลาสำหรับการชำระร่างกายเวลาเป็นชั่วโมงแต่ว่าเราไม่มีเวลาสำหรับการชำระล้าชำระจิตใจแม้แต่น้อยเรามีเวลาสำหรับการเติมอาหารกายแต่แท่ไม่เคยเติมอาหารใจ เรมีเวลานอนหลายชั่วโมงเพื่อพักกายแต่ไม่ได้พักใจเลยนะระหว่างที่นอนก็ฟุ้งฝันก็เรียกว่าการคืนฝันกลางวันฟุ้งนะไม่ได้พักใจเลยนะหลายคนนอนเจ็ดชั่วโมงแชั่วโมงตื่นมาก็ไม่ได้สึกปลิกกระเปะ๋าเพราะว่าใจก็ไม่ได้พักในระหว่างที่นอนอยู่เราเหมือนเวลาปการทํามาหากินเพื่อได้มีเงินเงินที่ใช้เนี่ย เงินที่ได้มาส่วนใหญก็ใช้ไปกับเรื่อง ก, การอำนวยความสะดวกทางกายหรือว่าการดูแลร่างกายให้ปกติสุดมีปัจจัยสี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าเวลาที่จะให้กับจิตใจเนี่ยน้อยกาพูดได้ว่ายี่สชั่วโมงของเราในแต่ละวันเนี่ยมันมาไป ก, กับเรื่องการนี่เยอะมากเรื่องใจนี่น้อยแม้แต่ความบันเทิงที่เราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ช่วย เพื่อทำให้ใจเนี่ยมีสีสันนะช่วยเติมสีสันให้กับจิตใจของเราเติมชื่อเชื่อให้กับจิตใจของเราโดยการไปเที่ยวความบันเทิงตา่างแต่ความจริงใจก็ไม่ได้พักกลับมาก็เหนื่อยกลับมาก็ลาเพราะฉนั้ในเรื่องความสมดุลรว่างกายกับใจเนี่ ย, ยมันเป็นสมดุลท่านพื้นฐานเลยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ล้าเลยกันมาก เราแปลให้ความสําคัญกับกายมากกว่ใจนอกจากความสนดุลระหกายกับใจแล้วเนี่ยในส่วนของใจเองเนี่ยมันก็ต้องมีความสมดุล น, นะระหว่างความคิดกับอารมณ์อาระหว่างความคิดกับความรู้สึกหรือระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ซึ่งเปรียบได้ง่ายคือสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจ คนทุกวันนี้เนี่ยนะเราคิดเก่งเราคิดได้ไวนะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยรู้หมดแต่ว่าจิตใจอ่อนแอไม่สามารถจะทำอย่างที่ตั้งใจได้คนที่กินเหล้าสูบบุหรี่จนติดเนี่ยเขาไม่รู้หรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นโทษ คนที่ติดพนันจะพนันบอลหรือติดเกมออนไลน์เขาไม่รู้หรือว่ามันมีโทษเขาก็รู้แต่หักห้ามใจไม่ได้คือใจไม่อ่อนแนมันมีคําพูดว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดเนี่ยรู้โดยสมองแต่ว่าติดใจอดแน่ติดใจไม่มีพลังอันนี้เรียกว่าสมองเนี่ยโตแต่หัวใจเนี่ย เล็กอ่อนแอรีนี่เป็นความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นกับผู้คนทุกวันนี้มากรู้ดีรู้เยอะแต่ทำไม่ได้เข้าใจไม่ไปเด็กเนี่ยมีปัญหานี้มากแตกทุกคนก็รู้ว่าผักมีประโยชน์นะถ้าไม่กินผักนี่นสุขภาพแย่ แต่ก็ไม่ยอมกินเด็กก็รู้ว่าเล่นเกมออนไลน์มากๆเนี่ยจะไม่มีเวลาทง ก, การบ้านแต่ก็ห้ามใจไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันรู้ว่าการเล่นของดีไม่ควรจะเล่นมากแต่ว่าก็เปอใจเล่นเที่ยวสนุกสนานดยไม่มีเวลาลํำเลียน ทุกคนก็รูนะว่าการไปอย่าพลังงานเปนของดีเวลาจะถ้าเราจะออกกําลังกายเนี่ยดีมีประโยชน์แต่ว่าทําใจไม่ได้แม้แต่จะเวลาจะขึ้นบันไดก็ก็ร่วมมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าขึ้นเล็บดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆในนอนะที่เชื่อห็ว่าคนเราเนี่ย มันมีความไม่สมดุลระห ว, ว่างสมองกับหัวใจคือสมองเนี่ยรู้เยอะแต่หัวใจเนี่ยไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะผลักดันให้เราทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ยับยั้งไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษความไม่สมดุลของการและใจอย่างความไม่สมดุลระ ว, ว่างสมองกับหัวใจอย่างหนึ่งนะก็คือคิดเก่งคิดได้ไว แต่วางความคิดไม่ได้อันนี้เป็นความไม่สมุลที่เกิดขึ้นกับคนที่มีการศึกษาในยุปัจจุบันมากคิดแต่เป็นวันแต่หยุดคิดไม่ได้วางความคิดไม่เป็นถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับคิดเรื่อยเปื่อยหรือบางทีก็คิดจนหัวความเศร้าความเครียดความโกรธ คิดแต่และเรื่องมันทำให้เศร้าทําให้โกรธแต่ว่าวางไม่ได้ไอ้การที่จะวางความคิดนี่มันต้องอาศัยคุณภาพจิตชนิดหนึ่งนะเช่นสตนะิเราพัฒนาคุณภาพของสมองในการคิดนะจนกระทั่งคิดได้เก่งกว่าชาวบ้าคิดได้ทนคิดไดอ้ด อ, อึดแต่ปล่อยวางไม่ได้นะก็เหมือนกัคนที่ เรียนผูกแต่ไม่เรียนแก้เปรยบเหมือนรถยน์ที่เร่งเครื่องยนเร็วแรงแต่ไม่มีเบรครถยนแบบนี้เนี่ยแม้จะเป็นยี่ห้อเบนส์นะโลซรอยก็คงไม่มีใครยากจะนั่งนะเพราะว่ามันเร็วแรงแต่ไม่มีเบรครถที่ดีเนี่ยมันต้องมีความสมดุลนัคือเร็วแรง แต่เบรกก็ต้องดีด้วยมันถึงจะปลอดภยัยพาเป็ถึงจุดหมายปลายทางได้ขึ้นทคื่องบินพาเครื่องบินให้ขึ้นที่ยนสู่ท้องฟ้าอันนี้ดีแต่ต้องรู้จักพาเครื่องบินลงด้วยหลายคนเนี่ยเหมือนกับนัก บ, บินที่เก่งเรื่องการพาเครื่องบินขึ้นฟ้าแต่ลงไม่เป็นคือคิดเก่งแต่วางพาคิดไม่ได้ถึงเวลานอน นอนไม่หลับนะถึงเวลกากินข้าวก็ฟูอันนี้เป็นเป็นเป็นอาการอย่างหนึ่งของความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นนะในชีวิตของผู้คนจำนวนมากนะความไม่สมดุลระหว่างการกับใจความไม่สมดุลระหว่างสมองกับหัวใจหรือว่าความคิดกับความรู้สึกเหตุผลกับอารมณ์ เวาพูดว่าอารมณ์นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะอารมณ์ที่ดีก็มีอารมณ์ที่เป็นบวกก็มีเช่นความเมตตาความสุกผ่อนคลายรู้จักปล่อยวางแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นปนัญหาของคนยุคนีนะ้ก็คือว่าทําให้จิตใจมีความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าถูกความคิดมนครอบงำ มันปรุงคิดตลอดเวลาและคิดแต่เรื่อง thing, ทําให้แค้นทําให้โกรธทําให้เศร้าทําให้หงุดหงิดทําให้กังวลก็เลยเกิดแต่อารมณ์ฝ่ายลบเข้ามาครอบงำใจทื่เราต้องมีความสมดุลระหว่างงานภายนอกกับงานภายในงานภายนอกก็อาจจะใช่กการทํามาหากินการดูแลครอบครัว คนรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานแต่ถ้าเป็นเราไม่ทํางานด้านไหนมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่สูงเอาสูงเอาแต่ไม่มีรากหรือรากตื้นต้นไม้ที่สูงแต่รากตื้นเนี่ยอันตรายนะเพราะว่าทําให้มันเจอแรงลมได้ง่ายเจอแรงประทะจับพายุได้ง่ายถ้ารากตื้นนี่เป็นต้นไม้เตียเต้ยวดี ก, กว่า เพราะว่าปลอดภัยกว่าแต่คนทั่วไปเนี่อยากจะเป็นต้นไม้สูงมองเห็นโดดเด่นจากที่ไกลเป็นต้นไม้ใหญ่ลาต้นแข็งหลายคนอยากเป็นอยาน่างงี้คืออยากจะมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะการงานที่สูงเด่นแล้วก็พยายามทิ้นร่นแข่งขงันเพื่อจะได้มีฐานะที่สูงเป็นที่โดดเด่นเห็นชัดในสายตาผู้คน แต่ลืมหรือว่าล้าเลยงานด้านไหนก็คือทำให้จิตใจเนี่ยมีความรุ่มลมึจิตใจมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะมีตำแหน่งที่สูงมีความรับิชอบที่มากเป็นที่รู้จักกว้างขวางแต่พอเจออุปสรรคเจอคาตำหนิคาต่อว่าดาทอหรือว่าความการกันแกลกก็ทำใจไม่ได้ อันนี้เป็นเกิดขึ้นมากกับดาราหลายคนารหลายคนเนี่ยนะเขาก็อยากจะเป็นที่โดดเด่นนะในสังคมแต่พอถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกสื่อนะตีชี้ น, นินทาสารพัดเนี่ยบางคนก็ทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีอันนี้เป็นขา่านวะทั้งในเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกด า, ากราเกาหลีดาราญี่ปุ่นนี่ยตาย ก, กันเยอะนะเพราะว่า ชี้ไม่สมดุลก็คือว่าเป็นเหมือนต้นไม้สูงใหญ่แต่ว่ารางเนี่ยเล็กสั้นอ่อนแอนอันนี้เลยว่าไม่สมดุลระว่างชีพด้านนอกการทา ง, งานด้านนอกกับทา ง, งานด้านหนยิ่งพวกเราเนี่ยมีความรบับผิดชอบมากมีหน้าที่การงา น, นาที่สำคัญมีตำแหน่งที่สูง ให้เรื่องการที่จะทำให้ชีวิตด้านในของเราเนี่ยหนักแน่นมั่นคงรุ่มลึกอันนี้จำเป็นมากได้ไม่ชัาจะทำให้เรามีสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้จนมาที่มีรากลึกเนี่ยก็จะไม่ค่อยหวงกังวล ก, กับฝนจากฟ้าเท่าไหร่ถึงแม้ว่าหน้า ฤ ด, ดูการจะแรงไม่มีฝนเลยแต่ต้นไม้ในป่าเนวนมากในเขียวพัดจีข้อน้ำมาจากไหนถึงมีใบเขียวพัดจีในเมื่อไม่มีฝนตกมาจากฟ้าแต่ข้อใส่น้ำจากใต้ดินคนที่มีชีวิตด้านในที่รุ่มเริงเนี่ย ถึงแม้คนจะไม่ยุกย่องสรรเสริมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรางวัลไม่มียศศักดิ์อัครสฐานมามอบให้แต่ก็ยังมีความสุขพอเขาค้นพบตาน้ำแห่งความสุขในใจเขาในใจเราเนี่ยมันมีบ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นเหมือนตาน้ำนะที่ ให้น้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ต้นไม้ในป่านะจำนวนมากเนะี่ยเขียวได้ทั้งๆที่ในหน้าแหลกที่กับต้นไม้พวกวัชพืชหรือว่าพวกพืชล้มๆุกนะพอถึงหน้าแล้กก็ตายเพราะว่ารอรอรน้ำจากฟ้านะก็มีนคนหลายคนที่ถ้าไม่ได้ ไม่มีไม่ได้รับคำย่อมย่อมสารเสริจากผู้คนภายนอกหรือว่าไม่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะก็จะหน่อยนะก็จะไม่มีชีวิตชีวาหรือว่าทอแทนะ้อันนี้เหมือนกับมม้ยืนต้นที่กำลังเหี่ยวแห้งในฤดูแล้งเพราะเขาไม่รู้จักที่จะหาน้ำ จากใต้ดินไม่รู้จากหาความสุขจากจิตใจภายในเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานด้านในกับงานด้านนอกเนี่ยหรือการพัฒนาชีวิตด้านในกับการพัฒนาชีวิตด้านนอกนมันเป็นผู้สมดุลมันเป็นสมดุลอีกคู่หนึ่งนะที่เราจะรับมไม่ได้ตอนนี้ มันมีความสมนุนอีกอย่างหนึ่งนะที่จำเป็นมากแล้วก็เสริมกับสิ่งที่ธรรมมาได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือความสมดุลระหว่างการเป็นผู้รับต่อการเป็นผู้ให้ถ้าขาดสมดุลตรงนี้เนี่ยชีตก็ไม่มีความสุขนะคือถ้าเอาแต่เอาแต่รับอย่างเดียวไม่รู้จักให้เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะ เราสังเกตได้ในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยเพราะมัมีความสมดุลระหว่างการรับออ ก, การให้ต้นไม้เนี่ยนะธรรมชาติสวยงามก็ต้นไม้และต้นไม้เนี่ยเขาอยู่ได้เพราะอะไรต้นไม้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้รับไม่ใช่แค่ดูดน้ำจากดินแต่เขาจงคายน้ำ ให้กับโลกด้วยต้นไมน้ไม่เพียงแต่ดูดเอาปุ๋ยจากพื้นดินแต่ต้นไม้เนี่ยก็ยังทิ้งกิ่งทิ้งใบเพื่อคืนกลับไปเป็นปุ๋ยบำรุงดินถ้าต้นไม้เป็นฝารับอย่างเดียวนี่ก็คือว่าดูดเอาแต่น้ำนะแล้วก็ดูดเอาแต่ปุ๋ยโอชาจากดินเนี่ยไม่ให้เลยนี่นะ ธรรมชาติก็ไปไม่รอดนะเพราะว่าดูดเอาดูดเอาแล้วแล้วปุ๋ยก็หมดเสร็จนะปุ๋ยในดินก็หมดแต่ที่ในดินเนี่ยนะมีความอุดมสูงขรณตลอดเวลาเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้รับอย่างเดียวเ้าให้ด้วยเขาคืนปุ๋ยคืนน้ำให้กับโลกน้ำตกสวยงามเพราะอะไรน้ำตกสวยงามเพราะว่า เขาไม่ได้รับน้ําจากข้างบนแต่เขาปล่อยลงมาด้วยแล้วเราไปชื่นชมน้ําตกกันอย่างนเราเห็นเลยน้ําตกเนี่ยมันเป็นมุมหนึ่งของธรรมชาติที่งดงามมากแต่ถ้าเกิดว่าแอ่งน้ําใดเนี่ยเอาแต่เก็บน้ําไว้ไม่ปล่อยเนี่ยนึกออกนะถ้าแอ่งน้ําเนี่ยหรือหนองน้ําเอาแต่รับอย่างเดียวไม่ปล่อยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเก็บกักอย่างเดียวเลยไม่ให้เลยเนีเกิดอะไรขึ้นน้ําเน่า จิตใจของเราเหมือนกันนะถ้ารับอย่างเดียวเนี่ไม่ให้นะมันเน่านะคือมันจะพ่อคูด้วยความเป็นกระตูนะเด็กที่เอาแต่รับเอาแต่รับนะแนทะสุดก็จะกลายเป็นเด็กที่ อ, อ่อนแอแล้วก็เอาแต่ขอขอไม่ให้อแ่าะไรนะเดี๋ยวนี้เราเห็นเด็กจำนวนมากที่นะ จตกระท่านจบปริญญาตีแล้วก็ยงังแ บ, บ่งเงินอของเงินจากแม่จากพ่อขอเงินหนึ่ง้อก็ไปเรียนต่อของเงินพ่อแม่ไปซื้อรถของเงินพ่อแม่ซื้อบ้านแลวการเป็นคนที่ช่วยเหลือไม่ได้และการเป็นภาระของครอบครัวอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะว่า้การที่เด็กเนี่ยถูกฝึกมาให้เป็นแต่เพียงผู้รับนะ แล้วเขาไม่มีความสุขนะนอกจากเขาพึ่งเดินไม่ได้ก็ไม่มีความสุขเพราะาเขาได้สิ่งหลของ็ไม่พอผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะถ้าเอาแต่รับเอาแต่รับเอาแต่รับเนี่ยเขามันจะเป็นการบอกบ่พราะนิสัยที่ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ได้มาสักทีได้สิก็ไม่พอใจอยากได้ร้อยได้ร้อยก็ไม่พอใจอยากได้ทัน แต่ผันก็ไม่พอใจอย่างได้ล้านคนที่มีคิดแต่จะเอาแต่จะเอาแต่จะเอาอย่างนี้นะก็จะไม่มีความสุขนะดูเหมือนว่าเขาน่าจะมีความสุขเขาสุกกายจริงนะเพราะว่าเขาคล่องคลองไปด้วยวัตถุสิ่งเสพนะมีสิ่งอันนื่องความสะดวกเยอะมีรถโดยมีบ้านมีโทรศัพท์มี iPad มีสิ่งอันเนื่องความสะ ด, ดวก ม, วมาก ม, ม, ม, ม, ม, มายเขาสุกกายจริงแต่เขาไม่ได้สุกใจนะเขาทุกใจ เขาทุกข์ใจเพราะว่าเขาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อกี้เราเสวมทำวัดเนี่ยมันมีคํานูว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะแต่ได้น้อยก็เป็นทุกข์ไอ้น้อยเนี่างทีก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าจํำนวนมันน้อยนะแต่ว่ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่มากเท่าที่ตัวเต้องการ แล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็จะเป็นคนที่มีความความทุกข์ได้ง่ายมากแม้เขาจะได้โชคลาภเขาตะมามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเล่นพูดตอนนี้เขาก็เลิกเล่นไปแล้วนะเพราะว่าเขสัว่าเขาพอแนละ้วหลังจะขึ้นเล่นพูดมาสิบยี่สิบปี เพราะเาเคยไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่เล่นหุ้นเหมือนกันทุกวันไปตลาดหุน้นคือไปคึยกับคุณป้าเบอกว่าเมื่อสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นเป็นตัวหนึ่งได้กำไรสิบล้านบาทเพื่อนตอาลก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแขาบอกว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรยี่สิบล้าน คุณป้าได้สิบ้าไม่มีความสุม <Okay. S 1> ขนะเพราะอะไรนะพอะคเพระเครือตนน่าจะได้ยี่สิบล้าน mm hmm. วันลุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อทต้องมาเลยไปถามาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าของคุณป้านี้ก็ได้มาคุณป้านเนี่ยเข้าโรงยาบาลแล้วเข้าเพาะไรคนระับเ mm hmm. ข้าเพราะเครียดที่ได้แค่สิบล้าน mm hmm. คือถ้าชีวิของเราเรานะถ้ามันคิดแต่จะเอาแต่จะเอานะคุณได้สิบล้านคุณก็ยังทุกข์เพราะคิดว่าฉันน่าจะได้ยี่สิบล้านใช่ไหมแจริงๆแกลทุกข์เนี่ยเพราะแกล ไ, ได้เชื่อแกลได้สิล้านแล้วแกลเชื่อแกเสียสิบล้านนะคือถ้าคนที่เอาแต่รับรับรับมากๆเนี่ยนะแม้ได้ก็ยังทุกข์พอได้ไม่พอหรือเพราะ กับคิดว่าเสียสได้ซ้าได้สิบล้านแต่คิดว่าเสียสิบล้านเน้นถ้าเรารู้จักให้เนี่ยการให้เนี่ยมันเป็นการช่วยช่วยทำให้ชีวิตเรามีสมดุลทั้งในนะทำให้เราเได้พบกับความสุขภายในการที่รับอย่างเดียวนะมันให้ความสุขใจมันได้ความสุขกายง่ายมากเลยไม่ต้องเหนื่อยนะอยากได้รถก็ไม่ต้องทำงานนะ ขอแบงค์้พ่อแม่พ่อแม่ซื้อนะได้ความสุกกายแต่ไม่สุกใจนะอย่างที่บอกชีวิตของเราเนะีมันต้องมีทั้งความสุกกายและสุกใจและสุกใจเนี่ยนะเคล็ดลับอย่างนะึ่งคือการที่รู้จักให้อันนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยนะสอนเรื่องทานเป็นเรื่องแรกในบุตรปีา ว, วัตถุสนะามสนะทานสีลภวนาเนี่ยทานคือข้อแรกในบุตรปีาวัตถุสธิ บุญศิลปการทางคือข้อแรกทศบาลมีทศบาลมีคือบาลมีสิทนะทานคือข้อแรกทศวิราชธรร ม, ม, ร ม, รมนะทานคือข้อแรกสามภาวะสี่สามภามะวะสี่คือเครื่องสมานจิตใจผู้คนเนี่ยทานคือข้อแรกเั้นะทานเนี่ยมันเป็นหลักธรรมสำคัญมากนะเป็นพื้นฐานเลยทานเนี่ยเป็น เป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วยทําให้สังคมเกิดความสงบสุขและทําให้จิตใจเราสงบเย็นด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้จักให้เนี่ยนะมันจะช่วยลดความเครียดตัวลดความยึดติดถือมั่นในสัตว์เพราะว่าถ้าเราเห็นกตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทุกข์มากเท่านั้นถ้าเรามีความยึดติดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ทุกข์ง่ายเท่านั้นนะ ถ้าเราเนี่ยลดความเมป็นตัวลงไปความกป็ตัวลดลงลดลงลดลงเนี่ยเราจะมีใจที่โปร่งเบาง่ายขึ้นและความสุขของการให้ เ, เกิดจากการที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขวิธีที่เทำให้คนอื่นมีความสุขไม่ใช่เอาจากเขาแต่คือการให้ทนะําไมพอ่อแม่กิมีความสุขนะถ้าทที่เหนื่ อ, กอยการดูแลลูกนะต้องตื่นแต่เชา้าต้องทํางานน่ะ เพราะพ่อแม่ได้พบความสุขจากการให้เริ่มจากการให้ลูกซึ่งเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ว่าแม้แม้คนที่เราไม่รู้จักเลยการให้มันก็ทำให้มีความสุขเดยเพราะเมื่อเราให้คนที่เขาทุกข์พระเจ้าจับว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขให้เราลองถามตัวเองว่า ที่เรานะมีความสมดุลในส่วนนี้ไหมนะเรารับอย่างเดียวหรือว่าเรามีเราเสรอย่างเดียวรับอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่านต้องไ ม, ไม่ไม่ใช่ใครจะต้องขออย่างเดียวนะแต่เป็นางานคือว่าการที่แสวงหามุ่งครอบครองด้วยบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ได้มือขอแล้วนะก็ทํามาหากินได้ตวัวเองแต่ก็ยังคิดว่าความสุขเกิดจากการมีการได้ ทางโลกเนี่ยก็คือความสุขเกิดจากการมีการได้ยิ่งมีมากมากยิ่งดังมากๆมกีมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเงินทองนะทรัพย์สมบัติเงินเดือนตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งมีนะยิ่งเสร็จยิ่งครอบครองยิ่งมีความสุขเรามีความชอบคนที่มีเงินเดือนมากเนี่ยสุดมากคนที่มีเงินเดือนน้อยใช่ไหมครับแต่ที่จริงมันเป็นความสุขทางโลก ซึ่งเน้นไปที่ความสุขทางกายแต่ความสุขทางใจเนี่ยแต่ความสุขทางธรรมเนี่ยมันไปอีกทางนะมันจะมันจะทวนกระแสความสุขทางโลกก็คือว่าต้องให้ยิ่งให้เนี่ยยิ่งพบความสุขทางใจคนเราจะเอาแต่ความสุขทางโลกไม่ได้ช่ที่สมดุลคือชที่สมดุลระหว่างสุขทางโลกกับสุขทางธรรม หือว่าสุขทางกายและสุขทางใจนะมันต้องมีความสมดุลกันแต่แล้วถ้าเรามันมีมันมีหลักอยู่ข้อหนึงความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่ายิ่งมีความสุขทางใจมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะพึ้นพาความสุขทางวัตถุน้อยลงอย่างพระ อ, อรหันเนี่ยเป็นตัวอย่างพระคุณเจ้าเป็นตัวอย่างพระเรียกป็นคนเป็นตัวอย่างว่าพอท่านพบความสุขทางใจนะแค่ทำบุิคานเนี่ย หรืบริการแบบท่านก็มีความสุขแล้วแต่คนที่ไม่มีความสุขทางใจนะียไม่รู้จักความสุขทางใจนะก็จะดิ้นรนแสวงหาความาพังพร่องทางวัตถุว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะเลยมีรถเป็นสิบสิ บ, ส บ, สบคันแต่ก็ยังทุกข์เราจิ้เห็นข่าวเศรษฐีลูกเศรษฐีค่าตัวตายเพราะพบความสุขทางทางโลก ก็มีความสุขทางกายแต่เขาขาดความสุขทางใจและความสุขทางใจนี่นะมันมีหลยัยข้อนึงนะก็คือการรู้จักให้การสลับนะมันมีการวิจัยหลายชิ้นนะในช่วงส0บยสิปีที่ผ่านมาที่ชี้เห็นว่าคนที่มีจะมีความสุขทางใจนะ การให้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขเคยมีการการศึกษาวิจัยทดลองนะเอานักศึกษาสองกลุ่มเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็ประมาณ0ิคน20คนนะและอาจารย์ก็ให้เงินไปสมมติว่าร้ดอลลาร์รดอลลาร์แล้วก็บอกว่าบอกกลุ่มแรกนักศึกษาเอาไปเที่ยวไปเล่นไปซื้ออะไรก็ได้นะเอาไปเที่ยวไปกินอะไรก็ได้ดูหนังก็ได้ ให้ไปเลยกลุ่มที่สองเนี่ยให้เงินเนี่ยบอกว่าเอาไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นจะให้โดยตรงก็ได้จะไปซื้อสีวาดรูปเล่นให้เด็กยากจนก็ได้นะแล้วเขาก็ให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขียนความรู้สึกเขียนบันทึกจากการที่ไปทํากิจกรรมจากการที่ใช้เงินในสองลักษณะ และมันเห็นความแตกต่างเยอะเลยนะว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเขามีความสุขเขาสูญเสียเขามีคุณค่านะเขารู้สึกว่าเขาสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นนะแต่เรื่องนี้ผู้เจ้าผู้ให้นานแล้วนะว่าผู้ให้ความสุขเนี่ยย่อมได้รัวความสุขแต่เราต้องให้เป็นนะ คือให้โดยไม่หวังผลเพราะถ้าให้ได้หวังผลแล้วเนี่ยอาจจะได้ทุกมาแทนใช่ไหมเช่นให้เขาไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เขาตอบแทนในภายหลังหรือไปทวงบุญคุณเขาหลายคนจะพบว่าเนี่ยทำไมเราช่วยคนเขาไปทำไมเขาไม่มาช่วยเราเลยนะหรือว่าทำไมเขาเยังไม่สมน็จบุญคุณของเรามีหลายคนทุก อันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้ให้นะด้วยการวางใจที่ถูกต้องคือให้เนี่ยมันไม่ใช่ให้ให้ด้ววัตถุอย่างเดียวนะใจนี่ก็ต้องให้คือปล่อยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะการให้กับคนที่เขาเดือดร้อนนะแม้กระทั่งถวายให้กับพระนะหลายคนก็อาจจะทุกข์นะเพราะการให้เจนมี หลายคนเนี่ยอุตส่าห์เตรียมอาหามาถวายพระซื้ออาหารอย่างดีมาถวายพระหรือว่าไปซื้อจีวรผ้าไตรจีวรอย่างดีมาถวายหลวงปู่หลวงพ่อถวายเสร็จก็เสียใจว่าหลวงพ้อไม่เห็นฉันอาหารของเราเลยหรือว่าถวายเสร็จแล้วทำไหลวงพ่อไม่คลองจีวรของเราอย่างนี้ เ, าเราวนะ่าให้แบบไม่เสด็จน้ำนะถ้าให้ถวายท่านแล้วชก็เป็นของท่านเลย จ, จะมาบอกได้ว่า ทำไมหลวงพ่อไม่ชนะอาหารของเราไม่ใช่อาหารของเราแล้วเป็นอาหารของท่านแล้วใช่ไหมทําไมหลงพ่อไม่คลองจีวรของเราผมปู่ไม่คลองจีวรที่เราถวายเป็นของท่านแล้วไม่ใช่ของเราแต่ถ้ายังคิดว่าเป็นของเราของเราเนี่ยแสดงว่าไปในได้หจริงคือให้ให้ให้แต่วัตถุนะว่าแต่ว่ายังมีเยอะใหญ่การทําบุญก็เหมือนกันนะถ้าให้เนี่ยนะถ้าถ้าทำบุญเนี่ยนะ ให้ทานเนี่ยเราต้องให้ด้วยการวางแต่ที่ถูกต้องคือว่าให้โดยที่ไม่หวังผลอะไรกับตัวเองเลยมุ่งประโยชน์สุง ข, ของผู้รับเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคนจ้ากคนจนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เขาเดือดร้อนนะเรื่องการเงินแต่ละตารเมื่อตามที่เราให้แล้วเราหวังผลนะ อันนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความทุกข์ได้หลายคนทำบุญเพราะหวังรวยหวังได้โชคได้ลาบแต่พอไม่รวยสักทีอ่ะก็รู้สึกโทษนะก็โทษแล้วทำไมทำบุญแล้วเนี่ยทำบุญไม่ขึ้นบางคนเริ่มทำบุญเลยนะพอทาบุญไปทาบุญไปออกปรากเป็นหนี้นะ เมื่อสองเดือนก่อนมีผู้สร้างหลังรายหนึ่งพวกพ่วงกำหนังรายหนึ่ ง, ง, รงประกาศตัวว่าเลิกนักถือพุทศาสนาแล้วทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยสร้างหนังเกี่ยวกัพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลท่านห น, นึ่งนะคือหลวงพระโตสร้างหนังเหลวงโตเพรว่าหนังขาดทุนสามสิบล้านต้องหลดหนี้ต้องหนีหนี้และเมียก็ทิ้งกิเลเนี่ย ก็เลยบอกว่าแกเขียนใน Facebook วันนี้นับถือคือทำอะไรให้ดีทำอะไรดีๆกับพุทธศาสนาไม่เยอะนะแต่ว่าแทนที่จะได้ความสุขความเจริญกับกับชิบกระชัว่าชิบหายแล้วก็ครอบครัวแตกสลายอันนี้มันสะท้อนหนึ่งความคิดของคนจนน้อน้อยนะที่ว่าเวลาทำบุญเนี่ยเพราะอยากได้ อยากให้บุญเนี่ยอำนวยให้เกิดความสุขความเจริญทำหนังหรือเกี่ยวกับศาสนาก็หวังว่าจะทำให้เกิดชีวิตที่เจริญมั่นคงอ่าและพอเกิดเป็นนิสัยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการเนี่ยทุก็กเลยน้อยใจเสียใจอันนี้เป็นเพราะการวางใจไม่ถูกนะเวลาเราทำบุญหรือว่าเราทำอะไรที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สุกกับส่วนรวมกับาศาสนาพระสารีบุตรเคยกล่าวนะว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยย่อมไม่ให้ทานเพราะหวังอุปัติสุขอุปติสุขคือโลภียสุรู้ความสุขทางโลกก็คือร่ำรวยสําเร็จมียศสากลฐานาามีสุขภาพดีบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปัติสุข หรือหวังพบใหม่พบใหม่ด้วยว่าวังว่าทำาพราะจะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเศรษฐีไปเกิดเป็นคนสวยคนหลอ่อคนสําเร็จในทางภ้างหน้ า, นานในชาติหน้าแต่บัณฑิตให้ทานเนี่ยนะเพราะมุ่งกับจัดกิเลและไม่เกิดพบใหม่ก็คือนิพพานาเเพราะฉนั้นเวลาเราเวลาเราให้นะให้เนี่ยดีแต่ว่า จะดียิ่งขึ้นถ้าระวางใจถูกก็คือไม่คาดหวังว่าผู้รับเนี่ยเขาจะสำนึกบุญคุณของเรานะหรือว่าจะทำให้เกิดโชคลาภตามมานะมันยังไม่เป็นการให้แบบที่เรียกว่าช่วยลดละกินเละเพราะนี่การให้เนี่ยมันทำให้เกิดอกสมุตอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่ามันเป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดการความสัมพันธ์ที่ลับลื การให้ เ, เป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่ดีมากนในการช่วยทำให้ความสัมพันธภาพเราของเรากับผู้อื่ น, นมันราบรื่นกลมกลืนมันเป็นสมดุลความขัดแย้งหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่แต่ละค น, นคิดจะเอาแต่พอเราลองคิดถึงเรื่องการให้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมี มีผู้ชายคนเนี้ยจะมีความทุกข์มากนะเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขามีการกอร่อสร้างนะแล้วคนงานเนี่ยที่คนงานกอ่อสร้างเนี่ยก็ชอบทิ้งขยะทิ้งเศษกระดาษเศษพลาสติกลงมาแล้วมันก็มาตองกันอยู่ตรงสนามหญ้าหน้าบ้านเขาเขาไม่พอใจก็ไปโวยก็ไม่ได้ผลนะ ไปโกูเรียกตำรวจมาปัญหาก็กลับหนักขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเพื่อนแนะนำ่าทำไมไม่ลองเวลาเนี่ยเวลามีหน้าเทศกาลต่างๆเนี่ยเช่นปีใหม่สงกรานต์ทำไมไม่ไม่เอาอะไรไปให้เขาละไปเป็นนิดกับเขาสิที่แรกแกก็ไม่เชื่อแต่แกตลอดแกก็ลองทำดูนะพอถึงปีใหม่ก็เอาของข น, นมไป ไปให้โฟร์แมนมัง่งไปให้ผู้รับเหมามัง่งไปให้คนงานมัง่งพอให้แล้วเนก็เริ่มมีการพูดคุยกันสงการก็ออกของไปให้บางทีเจอกันที่ทำปากซอก็ ท, ทกักทายอพอเป็นมิตรกันแล้วนะปรากฏว่าไอ้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะก็ค่อยๆหายไปคนงานก่อสร้างก็ไม่ทิ้งอะไรเป็นมาแล้วเพราะว่าเริ่มเกรงใจเกรงใจเพราะว่าคนที่เขามีความเอื้อเฟือ้อ เขาพบเลยเนาะเออการทายเนี่ยมันช่วยมันช่วยทำให้ความสัมพันธ์นมันดีขึ้นมีรายเนี้ยเป็นเป็นแก่ค้าขายจะจุดจับแล้วต่อมาเนี่ยร้านข้างๆร้านที่ติดกันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมือเจ้าของร้านคนใหม่เนี่ยเขาขายพวกประเภทพวกภาพภาพถาใหญ่ๆนะ แล้วก็มาแค่วันเพียงแค่วันแรกสองวันแรกเนี่ยแกก็แสดงลิเดดเลยนะเอาภาพใหญ่ๆนี่นะมาวางบางังร้านของแกนะสมมติว่าร้านที่เดือดร้อนเนี่ยเนะจ้าของร้านเนี่ยชื่อแก จเจอแบบที่เขาก็รู้ลัทีิสายของเจ้าของร้านอีกข้างเป็นยังไงชื่อพอนะจะแกรู้เลยนะว่าไปต่อว่ามันมีประโยชน์กลับไปทำให้เกิดสงคราม ว, วันต่อมาเนี่ยแกก็ไปข้างนอกไปทุร่าแล้วแกกลับมาเนี่ยแกก็แก ก, แ ก, ก็หิว้วส้มแล้วก็อังหงนสองกิโล แล้วก็มาหาพอ ร, ร้านที่ติดกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมไปข้างนอกมาเห็นร้านผลไม้รบผลไม้เนี่ยเอามาขายเห็นผลไม้มันน่ากินและทคิดว่าคนคงชอบก็เลยซื้อมาฝากพอนี่เจอทีแรกก็งงเลยนะแต่ก็ทำท่าเหมือนกับว่าพูดไม่ถูกกันนะเพราะว่าไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักกันเลย แกก็อกไม่เป็นไรไม่ทำเก่งใจเฮียรเราเพื่อนกันบ้านยุติกัรนะร้านยุติกั น, นะ น, กนมีอะไรต้องช่วยเหลือกันเหมือนพี่เหมือ น, น้องนะพอคุยแบบนี้เขาก็เริ่มนะก็เริ่มที่จะเกืดอ่าเรอ b r e a k the ice นะก็คือเริ่มจะคุ้นเคยกันนะก็สนทนากันนะเหมือนกับว่าเพิ่งเหมือนก็รู้จักกันกนานะวันรุ่งขึ้นเมื่อ แก่มาเปิดร้านเพราะว่าไอ้ภาพใ ห, ใหญ่ๆเนี่ยที่เคยมาบางหน้าร้านแก่นเนี่ยมันหายไปแก่ก็เลยไปถามพรว่าเฮียไอ้ภาพข้างหน้าเนีน่ยมันขายได้เลยเหรอพรบอ่ยังหลาขายวมนานี่อยู่ข้างในร้านอา้าวทำไมไม่ไปวางหน้าร้านแบบนี้มาวางแกก็บอกว่าไปวางไว้หน้าร้านเนี่ยมันบางหน้าร้านเฮียเนี่ย เดี๋ยวลูกค้ามาไม่เห็นนะไว้ตรงนั้นมันน่าเปลี่ยดเอาไว้ข้างในดีกว่าคือขอแค่ขอแค่แสดงความในความเป็นมิตรเนี่ยด้วยการเอาปลไม้มาให้เนนะความรูสึกมันเปลี่ยนไปเลยนะทิ่ทานเนี่ยนะมันนําไปสู่ความเป็นมิตรแล้วพอมีความเป็นมิตรแล้วเนี่ยมันก็มีความเกรงใจนะให้ความขิ้เจยๆ เ, เปลียดกันเนี่ยมันก็มันก็ลดลง สมรรถภาพที่ไม่ราบรื่นนะความขัดแย้งเนี่ยมันมันสมานนะกลมกลืนกันได้นะเพราะการให้นะครับแต่อยี๋ยนี้เราไม่ค่อยคิเรื่อง ก, การให้เท่าไหร่เราคิดแต่เรื่องการที่จะจะเอาหรือว่าจะาจะรักษาจากผมแหง้งเคยด้ไหมฮมีเรื่องมีเรื่องนึงนะบ้านยูติดกันเนี่ยแล้วก็เด็กเนี่ยนะ วันนึงก็ เ, เห็นบ้านตรงข้างบ้านติดกันเนี่ยมาสอยมาม่วงในบ้านของเด็กนะเด็กนับเลยนะเจ็ดลูกรีบไปฟ้องพ่อนะอยากจะให้พ่อเนะี่ยไปว่าบ้านที่ติดกันพ่อก็บอกว่าเออนั่นเดี๋ยวช่วยไปเด็ดใหม่อีห่อยนะไปเด็ดมม่วงใหม่อห่อยแต่เดี๋ยวไปไปหน้าไปไปไ ป, ไปหา ขึ้นบ้านกนะันพอได้มาม่วงมามาห่อใหญ่นะพ่อกับลูกเนี่ยก็ไปกดกลิ่นเรียกเจ้าของบ้านที่ไปสอยมะม่วงมาพอเจ้าของบ้านมาเนี่ยเห็นพ่อกับเด็กนะซึ่งอยู่ข้างบ้านเนี่ยแกก็น่าเสียดเยพราะเพิ่งขโมยมะม่วงมาแล้วก็คงรู้ว่าเดี๋ยวคงถูกต่อว่านะ แต่ตรงข้ามนะพ่อของเด็กบอกว่าอามะม่วงเนี่ยนะมันออกมาเนี่ยที่ว่าอาคุณคงชอบนะก็เลยจะเอามะม่วงมาให้ไอคนนั้นติดค่าดเลยนะชิล่านัวเธอถูกกล่าว่านะพอมีคนออฟเฟอร์มะ ม, ม่วงให้เนี่ยแกบอกเด็๋ยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวละเดียวนะกลับก็ไปในบ้านนะเอาไข่เข็มมาโหลหนึ่งราะว่าเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งมาจากสุสราษนะ มีไข่เข็มมาก็อยากจะมาเอามาให้ด้วยก็เป็นอัไรว่าฝ่ายหนึ่งก็ให้มาม่งวงอีฝ่ายหนึ่งก็ได้ไข่เข็น ม, มาตอนที่เดินกลับบ้านเนี่ยลูกก็ถามพ่อว่าทําไมพ่อไม่ว่าเขาที่เขาเอามาม่งวงเราไปพ่อก็บอกว่าถ้าเราได้มาม่งวงคืนแต่เสียเพื่อนเนี่ยมันคุ้มเลยแต่ถ้าเราให้มาม่งวงเขาแล้วเราได้ความเป็นมิตรเนี่ยมันดีนกว่ากันเยอะ นะฮะดังการให้เนี่ยมันมันมันเป็นเครื่องมือที่พิเศษเนะในการที่จะสมานไมตรีในการที่จะลบรอยร้าวในความสัมพันธ์มันก็เรียกเป็นการที่ให้เกิดความสมดุลในสมดุลภาพก็คือเกิดความรับรู้ทันที่การให้เนี่ยนะถ้าเราไม่จํากัดแต่การให้ด้วยเงินให้ด้วยวัตถุ แต่เราให้ด้วยให้ด้วยให้ด้วยน้าพัดน้ำแรงของเราเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์มากขึ้นเหมือนกันนะการให้หรือวัตถุเราเรียกว่าทานการให้ด้วยด้วยการให้กําลังนะให้เวลานะหรือผู้น่าคือไปช่วยหรือเพื่อเฟอร์เขาเนี่ยทําเพื่อศาสต ร, ร์สายโยัตถนริยาก็เป็นหนึ่งใน สังขาวัตุสี่สังขวัตุส่มีธรรมปิญญาวจารัชจริยาสมานัละตาา่างสังขาวัตุสี่เนี่ยมันแปลว่าเครื่องสมานน้ําใจสังขารวัาุสมเคราะห์สมเคราะห์เพศหรือว่าสมเคราะห์ช่วยเหลือนแต่หมายถึงว่ามันเป็นการสมานให้เกิดความกลมกลืนความสมัคคีกันสมัยนี้เรียกจิตอาส า, าอันนี้ก็เป็น เป็นวิธีเป็นโอสถในการเยียวยาความทุกข์ได้เหมือนกันนะมีมีเรื่องเล่าว่าเกียวโตในเมื่อสักร้อยปีก่อนเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนะึงชื่ออิวาสกิชีวิตแก่คล้าโอชินนะเรเราู้จักโอชินนะคือเป็นเด็กกำรรพร้าถูกขายยากจ น, นคนญี่ปุ่นสมัยกอนยากจนมากแล้วแกก็ามาถูกขายให้กับสามาเกตชาแล้วก็ ชีวิตก็ลบาบากนะเป็นเด็กรับใช้ถูกกดขี่ถูกอะไรต่างๆสา ร, สรพัดชีวิตแกก็กดทนนะแล้วก็ตอนที่ยังเป็นตอนที่เป็นสาวเนีแกก็ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายนั้นตอนน่อหลัง ก, ก็ตายแฟนตายไม่ทันไปทันไรน้องชายตายอีกนะชีวิตแกไม่เหนืออะไรลนะแล้วจะชีวิตแกัองแกไม่เป็นอนาคต น, นะชีวิตเด็กรับใช้กีชั แก้แก็อยากตายในวิธีการฆ่าตัวตายแกคือว่าเดินเข้าไปในป่าช่วงตอนช่วงหน้าหนานะเกี่ยวโตเนี่ยหน้าหนาวหิมะตกนะประมาณมกราธันวนันหิมะตกหิมะหนามากแกก็คิดว่าจะไปตายในป่าเนี่ยให้หิมะท่วมครับเพราะว่ามีคุณลุงคนึงเห็นและช่วยแกแล้วก็ไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องช่วยชีวิตแต่ช่วยเตือนสติ พอคุณลุงเนะี่ยแกรู้ว่าอิวาซากิเนี่ยจะฆ่าตัวตาก็หลาะอะก็บอกว่าเนี่ยแต่ก็พูดเร็วนะคนที่คิดกังตัวเองเนี่ยล้นอยากตายจริงๆแบบมีวิธีหนึ่งนะมีอย่างนี้ที่อยากจะให้คุณทํานะอยากจะให้เธอทำนะคือกลับเข้าไปในเมืองและช่วยขายสักคนวันละค น, แ ล, ะนนะแล้วถ้าทํอย่านี้อีกสักครั้งแล้วยังอยากตา ย, ยให้มาบอกให้บอกลุงนะเพื่อช่วยทําให้ตายสนใจ ก็่ันสกิกลได้สตินะแกก็เปลี่ยนใจนะไม่ค่าตัวตายและทุกวันเนี่ยหลังจากที่แกทํางนานเสร็จแกมีเวลาว่างแกก็จะไปซื้อหนังสือเนี่ยให้เด็กยากจนเพราะว่าคนคนคนเพราะว่าเด็กยากจนเนี่ยไม่รู้หนังสือและแกก็เข้าใจหัวใจของเด็กเหล่านี้ว่าการไม่รู้หนังสือเนี่ยมันมันเป็นความเสียเปลี่ยนมากคนญี่ปุ่น เ, เ, เ, เ, าา น, เนี่ยเขาลังก็รักเรื่องวิชาความรู้นะเขาก็ไปซื้อหนังสือมาให้เด็ก ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ซื้อป่านีสอนด้วยเราาลิขานให้เด็กฟังแล้วก็ทําให้อยู่พักใหญ่ในสุดท้ายเนี่ยเขาไม่คิดค่าตัวตายนะแต่ตอนหลังเขาก็เขียนไดอารี่เขียนบันทึกนะเรื่องราวขงเธอนี่ได้กลายเป็นพอร์ลี่ว์ไปทําเป็นหนังพอร์ลี่วไปทําเป็นหนังเรื่องเกอิชาเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็บันทึกของเธอก็เป็นบาทีกที่มีชื่อนะเคอเป็นเดซเซนเลอร์อยู่นะเมื่อสิบสิบห้าปีที่แล้ว คือเป็นตัวอย่างนี่ว่าของคนที่ว่าขอไปช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยให้ความทุกข์ในใจนมันน้อยลงนะรู้สึกว่าช่วมีคุณค่ารู้สึกว่าช่วยมีความหมายแล้วก็เกิดความสุขสุขที่ได้ช่วยนะชื่อเมริกานี่นะมันมันมีสถานเขาเรียกว่าบ้านพักคนชาราบ้านพักช้นคนชารานในอเมริกาเนี่ยพูดถึง ความปลอดภัยความสะดวกนะมันดีหมดเลยแต่ว่าพูดในการคนใหม่เนี่ยสังเกตว่าคนคนชราเนี่ยมันหงอยเหงามากเลยหงอยเหงานื่องาว่ารอวันตายบางคนก็นอนติดเตีย ง, งไม่ไปไหนบางคนไม่พูดไม่คุยนะคือแบบนี้มีเยอะมากนะบางคนชราแล้วส่วนใหญ่ผูเนี้เคยมีฐานะดีลูกก็มีฐานะจึงพาพ่อแม่เนี่ยมาสนนะ ทุกอย่างดีอาหารดียาดีหมอดีแต่ว่าคนไข้เนี่หมดอะไรตายอย่างไม่พูดไม่คุยนอนติดเตียงมือยลอยแลว้ววาหนหนึงเนี่ยก็ควรในการแกก็มีความคิดนะแกเริ่มเอาสัตว์เข้ามาเอาหมาเอาแมวเอานกเข้ามาซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ไดียมทากันเพราะว่ามันสกรปรก และ บ, บางผคนฉลาต้องสะอาดต้องเนี้ยมันไม่ถูกสุจริศสนาเนี่ยมีข้อถกเถียงนแบบเนี้ยแต่เขาก็ก็ไวไฟล์มากรทั่งจนกรทั่งยอมทางแทบแทบทางทางทางเทศบาลเนี่ยยอมให้เอานกเอาหมาเอาเอาแมวเนี่ยมาแล้วถามว่าใครเรี้ยงก็เจ้าหน้าที่นี่แหละแล้วก็คนแก่นี่แหละนะแล้วเวลาผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์น <|ja|> ะ มันมีความเปลี่ยนแปลงนะคนแก่เนี่ยที่ไม่เคยพูดไม่เคยคุยอะไรเลยนะแล้ววันหนึ่งทีมง า, านอนุกมาตั้งเอาไว้กงต้อมาตั้งแกก็ดูแต่นกนะแล้วก็ดูแกก็ไม่ทําอะไรแล้ววันหนึ่งแกก็เริ่มบอกเทยมงาลบอกเจ้าหน้าที่ว่าไอ้นกตัวนี้มันถ้าทามไม่ค่อยสบายนะช่วยดูมันหน่อยเช่ตอนหลังไม่ได้ตอนหลังไม่ไ้เริ่มพูดแล้วนะเริ่มพูดนะแต่กอ็ไม่พูดเลย แล้วก็ตอนหลังก็เริ่มที่จะไปเอาอาหารไปให้นกบ้างแล้วพยาบาลในบางทีก็ชวนคนแก่เนี่ยเดินกับพวกกระเพกนะไปให้อาหารหมาไม่อยากไปแต่พอได้ไปแล้วเนี่ยติดใจบางทีก็ถามนะเออวันนี้ไม่ไปเล็กงหมาไปด้วยกันคือเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะว่าพอคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ทำอะไร เพิ่มหมาเพิ่มแมวเนี่ยมันมีช่วชีวานี่นมันเลยนี่ขนาดหมาแมวนะหรือนกเนี่ยตอนหลังเนเขาเริ่มเอาเด็กมาเอาเด็กตัวเล็กๆมาเด็กอนุบานเอามาเอามามาที่บาา้านพักคนชรานู้นคนชรามีชื่อชีวามากเลยคือเขาสู่ว่าชีว์เขามีความหมายเพราะเขได้ให้ให้ต่างแต่ว่าให้อาหารสัตว์นะแล้วก็ได้เอาน้ําไปให้มันอย่าว่ากต่สัตว์นละ้วต้นไม้เนี่ย มันก็มีเหน็นนะเขาทำ ท, ท, ทดลองนะคนแกนะ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีต้นไม้นะค น, คนางานสองกลุ่มมีต้นไม้เหมือนกันในห้องนะแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยคนที่ลดน้ําเนี่ยคือเจ้าหน้าที่แต่กลุ่มที่สองเนี่ยเขาให้คนแก่เนี่ยลดตามเองปรกว่าคุณภาพชีวมวลคนแก่กลุ่มที่สองเนี่ยมันดีกว่ากลุ่มแรกมากเลยภายในเวลาหนึ่งปี อายุยืนขึ้นนะยาต่างๆเนี่ยกินน้อยลงมันไม่ใช่เรื่องกายเป็นเรื่องใจการให้ น, นะแม้กระทั่งให้กับต้นไม้เนี่ย ม, มันมันมันมันช่วยชุบชูชีวิตมากเลยเห็นเด่นได้ว่าคนเราเนี่ยสุกกายเนี่ยนะก็สำคัญนะแต่ถ้าเราไม่ยุ้จักรมทำให้ใจเป็นสุขนะมันก็เหมือนกับไม่มีชีวิตชีวา และการที่ทําให้ใจมีสุขได้เนี่ยวิธีสําคัญคือการให้นะมิจิาอาสาหลายคนเนี่ยที่พอทําแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมีคนนึงนั่นเป็นไมเกรนกินยาทุกวันแล้ววันหนึ่งเพื่อนชวนไปเป็นจิตอาสาที่บ้านปักเกร็ดเนี่ยบ้านปักเกรดนี่ก็มีเด็กเป็นร้อยนะที่ถูกทิ้งนะบางทีพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงก็มาให้สถานสงเคราะห์อย่าเลี้ยงมีตั้งแต่เด็กสามสามเดือนจนถึงเด็ก9้าขวบ ผู้หิงคนนี้แกเป็นไมเกรนแล้วก็เป็นไปจิตอา ส, สาอยู่ประมาณาที่ละสองวันแกเป็นไปได้แสองแกไปทำได้แสองสามทิตย์มั้แล้วแกก็สังเกตแกก็ฉุกคิดขึด้นมาว่าแกลืมกินยาโดยแกกินทุกวันแต่แกพวกมาสังเกตว่าแกลืมกินยามาหลายครั้งทำไมลืมกินยาทรางไหมครับเพราะมันไม่ปวดมันหายปวด ทำไมหายปวดนะเพราะเไปเล่นกับเด็กไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะมีความสุขลนะพอสุขใจนะมันก็คงส่งผลอะไรกับร่างกายทําให้สารบางตัวหลั่งออกมาทำให้ไมเกร น, น, ม, นมันหายปวดพวกแกจะประทับใจมากที่แกที่แรกแกคิดว่าแก็ะไปให้ความสุขกับเด็กนะแต่ที่ไหนได้เด็กให้ความสุขแกแล้วคนที่เป็นจนิตอาสาแล้วคนจะพูดแบบนี้ว่าทีแรกเราคิดว่าเราจะไปช่วยเด็กแต่เด็กนี่ช่วยเรา ทำให้รู้สึกดีขึ้นวิดีอสิทสี่นะไปเป็นกินอาสาเนที่บ้าประกเก็บางกันนะไปไปสองสองเดือนตอนปิดเทอมไม่ถึงสองเดือนเดีย้ครับแม่ออกปากชมเลยว่าเด็กเนี่ยลูกของตัวเองชื่นน้องได้ใจเย็นขึ้นใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นต่ก่อมเขียนแม่ประจำนะแต่ต่อหลังเนี่ยเขียน้อยลงแล้วก็ใจเย็นนะไม่ทำตามอารมณ์ เขก็ไปสัมพันธ์น้องแกว่าทำไมเกิด ค, ความเปลี่ยนแปลงแกก็เล่าว่าเนี่ยต้องดูแลเด็กนะเด็กก็มีหลายแบบเด็กบางคนก็ตื้อเด็กบางคนก็เอาใจยากแกก็ต้องอดทนการที่แกเนี่ยพยายามอดทนเพื่อเด็กเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเด็กเดียวนะมันช่วยแกทำให้แกเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่เด็กศึกษาที่เปลี่ยนแปลงนะผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะสามสิบสาสี่สิบเนี่ยผู้ชายด้วยนะเนี่ยตามที่แลกก็ ไม่ได้สนใจหรอกแมแต่ว่าตามเมียแม่เมียไปไปจิต hmm. ป <po> ิดอาสาก็เตือนก็ไปบ้างพอไปเนี่ยสักพักเนี่ยนะลูกน้องกอกเจ้านายเปลี่ยนไปแต่ก่อนนี่พูดกระโชกโคกข้าพนะอารมณ์อารมณ์ร้ายดูปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเจ้านายเนี่ยพูดนิ่มนุ่มนวลขึ้นเนาะเขาก็ไปสัมภามก็เป็นพ่อแอ้วก็เหนมผลคล้ายๆกันนะคือว่า การที่ได้ไปดูแลเด็กเนี่ยมันทําให้ต้องอดทนคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอดท น, นจะอดทนได้ง่ายๆนะเราเราเนี่ยถ้าเรารักใครสักคนเนี่ยเราจะยอมอดทนเพื่อเขาแล้วคนเราเนี่ยก็ยอมอดทนเพื่อเด็กแล้วการอดทนเพื่อเด็กเนี่ยมันทําให้เกิดขันติทําให้มีสติมากขึ้นแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงข้างในใจเขา ชิด้านหนามันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนจะไปเข้าวัดไปทําสมาธิไม่เปลี่ยนแปลงนะบางทีหงุดหงิดมากขึ้นโกรธมากขึ้นตรงข้ามนะคนวัดหลายคนเนี่ยไปเป็นจิตอาสาเนี่ยนะเย็นกว่าเดิมนะความร้อนลดลงอันนี้เพราะว่า เมื่อเราทําประโยชน์ท่านเนี่ยมันจะช่วยขัดเกลากิตใจเราและทําให้เราได้พบกับความเปลี่ยนแปลงภายในลดอาการโกรธตนลดความหมีกันตัวแล้วมันทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นดังนั้นอาจารย์ท่าคนเรานเนี่ยเอยากมีความสุขใจนะเราสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการให้ เริ่มด้วยการให้สิ่งของให้เงินและวางใจถูกต้องต่อไปก็ให้หนำาลังแรงนะไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในนะแล้วก็จะเป็นการบนะ ะ, รระเพ็ญบา ร, รมีอ ย, ย่างหนึ่งแล้วพูดถึงการให้เนี่ยนะ มันจะมาพ้ อ, อการสละเมื่อเราให้สิ่งดีๆกับใครเนี่ยมันจะสละสิ่งไม่ดีออกไปจากใจเราแต่มาพูดถึงความเป็นตัวความยึดมั่นถือมั่นการให้อากาศสละเนี่ยมันไปด้วยกันนะให้สิ่งดีๆก็จะช่วยสละสิ่งไม่ดีในใจเราไอ้สิ่งไม่ดีในใจเราเป็นปิ๊ดที่มาความทุกข์นะคนอื่นทำอะไรกับเราเนี่ยถ้าใจเราเนี่ยสงบนิ่งนะ ไม่ถูกหรอกแต่ถ้าใจาเราเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ความจปกตัวความที่ติดถูอมั่นไม่ว่าเราได้โชดได้ลารากมาเราก็ยังถุกอย่างตัว อ, อย่างคุณคุณป้าที่แกถูกข์แกได้สิบล้านบาทจากการขายหุ้นเพรานะฉในสิ่งที่เราควรจะทําเนี่ยนะก็คือการพยายามสลับสิ่งไม่ดียวไปจากใจเรา และวิธีสละสิ่งไม่ดีก็ออกไปใจากใจเราคือการให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นแล้วะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุ์และมีความสุขมากขึ้นเราก็พอสมุวรแก่เวลาแลวไม่ทราบว่าที่พูดมาไม่มีอะไรที่ที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่าที่จะสงสัยหรือักถามก็เชิญนะ ที่จริงเนี่ยนะยังไม่ต้องให้นะเพียงแค่คิดถึงเนี่ยคิดถึงคนที่ลำบากกับเราเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะคาที่บอกว่าเวลามีความทุกข์นะให้ลองนึกถึงคนที่ทุกข์กับเราแล้วคุณจะพบว่าความทุกข์ลดลงมีความสุขมากขึ้นคนเราไปคิดถึงคนที่คนอื่นนะคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นนะ บางทีคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นแม้เขาจะทุกข์น้อยกว่าเรานะแต่เราคิดถึงเขานะไอความทุกข์ของเราที่มันเยอะๆเนี่ยมันกับลดลงมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องโยนะเด็กชายวัยเจ็ดขวบวันหนึ่งป้าเนี่ยชวนน้องโยซ้อนมอเตอไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมปรากฏว่าเจอรถชนมอเตอไซ์พังยับเยินป้าเนี่ยแขนหักไปข้างสนะ่วนน้องโยนี่ขาเล็ก ไปข้างหนึ่งก็รีบพาสงโรงพยาบาลเลยนะตลอดทางไปถึงห้องผ่าตัดนะป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลยหมอผ่าตัดเสร็จนะถามน้องโย ว, ว่าทําไมน้องโยไม่ร้องน้องโยพูดดีนะเขาบอกว่าผมกลัวป้าเสียใจครับ น้องโยนที่หนักกว่านักหนักก็ป้าเน่ะขาเนี่ยเละเลยน้องโยนได้เสียงร้องป้าเรีนร้องเนี่ยน้องโยนก็รู้วป้านี่ทุกข์แล้วป้าที่ผมไม่ได้ทุกข์กายเนียทุกข์ใจเลยที่ผ่าน้องโยนมาเจอชะตากันแบบเนี้น้องโยนก็ก็รู้เลยนะว่าถ้าตัวเองร้องนะน้องป้านี่ยคงจะใจสลายนะคิดถึงป้านะไอ้ความทุกข์ของตัวเองการเป็นเรื่องเล็กเลย โอกาสที่ขาแลเแล้วไม่ร้องนี่นะเก่งมากเลยนะผู้ใหญ่ทาไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้เด็กคนนี้ทําได้การคิดถึงป้าไม่อยากให้ป้าเนี่ยทุกทรมาร์ดนะคนเราเพียแค่คิดถึงคนอื่นที่เขทุกข์กับเราหรือว่าคิดถึงคนอืนที่เขาทุกขนะ์ไม่อยากเขาทุกข์มากกว่านี้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะมันทําให้เราทนได้มากคือมันทำให้ความทุกข์ของเราเป็น มันเล็กลงไอนะ้เวลาเวลาเวลามีความทุกข์เนี่ยนะนอกจากการไปสานหาความสุขจากที่อื่นแล้วเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูนะนึกถึงคนที่นที่ทุกข์กว่าเราหรือว่านอกจากนึกถึงนั่นลงไปช่วยเขาเนี่ยไอ้ความทุกข์ของเรานะมันจะเล็กลงเล็กลงมีหลายคนนะที่ป่วยหนักระยะสุดท้ายนะ แล้วก็ปนตีโพอตีพายทำไมต้องเป็นชั้นแต่พอมีคนมาเตือนสติมาแนะนำนะก็าเราไปช่วยคนที่อยู่ในวอดเดียวกันเนี่ยมเปลี่ยนแปลงเลยนะอย่างมีลายหนึ่งเนี่ยนะเป็นเดือนที่สิบเจ็ดเกเป็นโรคพุ่มขัวอาการหนักมากบวัวหมดเลยนะหาไม่ได้เลยนะอาการหนักมาก วันหนึ่งเนี่เพื่อนตอมาเป็นบาทหลวงแคทอลิกไปเยี่ยมเธอเป็นคริสต์นะเธอก็ตัดขอกับกับบาทหลวงนะว่าทำไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้นะันทุกทรมานมากเพื่อนตอมาก็าบอกว่าพ่อก็ไม่รู้หลอกนะว่าทําไมพระเจ้ามีพระประสงค์ทางใด แต่อยากจะแนะนำอย่างหนึ่งนะก็คือให้ส่นบนเงอนพระเจ้าแล้วก็ให้ให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ทุกข์เหมือนเธอก็คือคนป่วยในในในหอผู้ป่วยนี่แหละแล้วก็ให้รูปกรรมไปไ ป, ไปสายนยีแล้วบัรลูนเนี่ยก็เบินต้องไปทูลละไปอีสานทำภารกิจไปเป็นเดือนนะสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือนะสิบกว่าปีที่แล้ว เมื่อเสร็จธุละก็เข้ากรุเทพก็มาเยี่ยมบอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่ว่าจากคำบอกเล่าของคนป่วยเนี่ยมันทําให้คุณพ่อประทับใจมากคือหลังจากวันที่คุณพ่อเนี่ยไปเยี่ยมเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยเด็กคนเนี้อายุสิบเจ็เนี่ย แกก็พยายามที่จะไปช่วยช่วยคนผู้ป่วยในในตึกเดียวกันช่วยคาพาไปห้องน้ำช่วยตักน้ำช่วยเติมน้ำให้กำลังใจทั้งที่หลายคนเนี่ยอาการเนเบาแกเยอะแล้วทุกคนเนี่ยพูดสิ่งเดียวกันว่าเธอเนี่ยนะมีเรียกว่ามีความใจสาสมาก ทุกคนประทับใจแล้วก็วันสุดท้ายที่เธอตายเนี่ยเธอก็ไม่ได้บ่นทุลนทุลายเธอก็เหมือนกับไปอย่างสงบภาพที่คนเรานี่าให้ฟังเนี่ยมันตรงข้ามกับภาพที่เธอภาพที่คุณพ่อเนี่ยเห็นเขาในวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเธอนี่แบบท้อแท้ไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมปวดทุกทรมาร์ยเกินแต่ภาพที่ เพื่อนผู้ปว่วยลายฟางเนี่ยมันเป็นภาพของคนที่มีเรียกว่าไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์กายเลยนะช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ไปสงบมันแปลว่าหลไรมันแปล ว, แว่าการที่เธอเนี่ยนึกถึงผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทำให้ความทุกข์ที่เคยสร้างความ ท, ทรมารม์จากเธอเนี่ย ม, ม, มันลดลง ทุกการไม่ได้ลดลงนะแต่ทุกใจมันลดลงและทําให้เธอเไปสงบได้เพราะฉะนั้เรื่องการให้เนี่ยไม่ว่าให้ด้วยวัตถุสิ่งของหรือให้นําพักน้ำแรงให้ด้วยกาลังวังชาเนี่อันนี้มันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเคล็ดลับนะของการทําให้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่สมดุลเท่านั้นนะแต่มีความสุขด้วย เอาลฮะถ้าเยมถามฮะถ้าไม่มีก็ก็คงยุติท่านนี้นะ